เอาล้นก็ขอต้อนรับทุกท่านนะ เข้าสู่หลักสูตรมาคาทุ ค, คาพื้นฐานหลักสูตรนี้ก็เป็นหลักสูตรสั้นๆครับสามวันก็มุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจสําหรับผู้ที่อาจจะไม่เคยเข้ามาสู่การปฏิบัติเลยหรือแม้แต่ผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้ว ก็จะได้เข้าใจในพื้นฐานแต่ก็เห็นคนหน้าเก่าๆก็เข้ามากันเยอะเหมือนกันาหลักสูตรก็คงจะเป็นการ ให้ปฏิบัติควบคู่ไปนะอย่างเช่นการนั่งสมาธิในส่วนการเดินจงกรมก็คงจะต้องแทรกกันเข้าไปเองในช่วงเวลาที่ไปเดินไปเข้าห้องน้ำรับประทานอาหารหรือ ว, ว่าออกไปเดินพักผ่อนก็ตรงนั้นก็ให้ใช้ความมีสติสัมปชัญญะเข้าไป เนื่องจากหลักสูตรนี้สั้นมากจึงยากที่จะแนะนำอะไรได้ทุกๆอย่างก็เพียงแต่เป็นการจุดประกายเป็นพื้นฐานถ้าใครก็ตามที่ไม่เคยมาแล้วได้ฟังแล้วเกิดโดนสักคำสองคำแล้วมันเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตอันนั้นก็ถือว่าคุ้มแล้วส่วนท่านที่มาซ้ำแล้วซ้ำอีก นั่นก็คือท่านเกิดจุดเปลี่ยนไปแล้วท่านถึงได้มาหนะรือแม้แต่ชีสองรูปนะที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เคยเป็นผู้ปฏิบัติตรงนี้เหมือนกันแล้วก็เกิดจุดเปลี่ยนของชีวิตจนเข้าสู่การบวชอุบาสิกาใจพระแล้วก็ยังบวชอยู่จนถึงวันนี้นะความตั้งใจลึกๆก็าอาจจะอยากจะอยู่ไปเรื่อยๆ เด่๋ยนี้ไม่ค่อยอยากบอกว่าบวชตลอดชีวิตเพราะคํานี้เนี่ยใครที่เคยบวชก็จะรู้ว่าเวลาตั้งใจอย่างนี้เนี่ยอยู่ๆก็เหมือนกับมีอะไรกดดันมาทับเอาไว้ผมมองไปข้างหน้ามันเหมือนมันอัดไปหมดแต่คนที่ก็บวชเท่าที่บวชได้บวชไปทีละวันแต่ไม่เคยคิดที่จะออกอย่างนั้นง่ายกว่า เ, เบาๆหรือพวกเราก็ตามที่เข้ามาสู่การปฏิบัติในวันนี้เนี่ย จะด้วยเห็นความจริงของทุกข์หรือว่าโอ้ยไม่ไหวอยากจะมาหนทางการพ้นทุกข์หรือบางคนก็มีความสุขสบายดีเพราะผมเห็นทุกวันนี้บางคนก็มีความสุขสบายดีในชีวิตมาบอกว่าเออหนทางการพ้นทุกข์ก็นึกไม่ค่อยออกนะว่าเราทุกข์อะไรมันมากมายขนาดนั้นเหรอแต่ก็มาศึกษาก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีอันนั้นก็ ต้องทุกไหมอาจารย์ต้องต้องทุกแบบที่อาจารย์โดนไหมอย่างผมโดนมาหนักๆแล้วถึงเข้ามาในทางมาปฏิบัติมาอะไรเงี้ยแล้วคนอื่นที่เขาไม่ได้ทุกมากเนี่ยชีวิตก็สุขสมบูรณ์ดีมีกินมีใช้มีครอบครัวที่มีความสุขแล้วอย่างนี้จะเห็นธรรมไหมในเมื่อมันก็ไม่ได้ทุกอะไรมากมายต้องบอกว่าคนอย่างนี้แหละที่สังสมมาดีนะบุญบรารมีของเก่ามีมาดี พรสัมราสัมพุทธเจ้านะตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะผมถามว่าท่านทุกอะไรนักหนาเหรอท่านก็เลยทุกอะไรมากมายแล้วถ้าเรามองกันจากเนื้อเรื่องนะจากชีวิตของพระองค์เนี่ยท่านก็มีครอบครัวที่ดีมีพระชายาที่งดงามแล้วก็รักพระองค์มากๆเป็นลูกกษัตริย์ที่พ่อแม่ดูแลจะดูได้ความรักก็คือมีสร้างประส า, าทสามดูอะไรเยอะแยะ ปกป้องยิ่งกว่าไข่ในหินนั่นคือมีครอบครัวที่ ส, สมบูรณ์อยู่แล้วแต่ทุกอะไรทำให้ถึงกับต้องออกบวชนั่นหละเห็นถ้าเราเห็นว่าชีวิตที่ดูเหมือนกับ ส, สมบูรณ์ดนะีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คนเหล่านั้นกลับออกมาสู่ขนถ่ายการพ้นทุกก็พูดได้คาเดียวสรุปได้ไ ง, ง่ายๆก็คือว่าคนเหล่านั้นสั่งสมมาดี ทั้งๆ ท, ที่มีชีวิตอย่างนี้ก็ยังไม่หลงละเริงไม่ไหลไปกับกับโลกที่เต็มไปด้วยมายาความสุขทั้งหลายที่คนในโลกเข้ามาสแสวงหาล้วนเป็นของดับวับไปต่อหน้าต่อตาที่วิ่งไล่ล่าหาอาหารอร่อยระดับมิชลินสตาร์แตะลิ้นวับกลืนวุ้บหายวับนะหายวับวับวับวั บ, วบลงไปเลย ที่ค้างก็คือในใจที่มันนั่งเลียกันอยู่เท่านั้นเองคนที่เห็นความจริงมีเงินมีทองสุขตรงไหนหาไม่เจอเนี่ยยิ่งไปกินในบุฟเฟ่ลายยาวเหยียดอินเตอร์เนชั่นแลบุฟเฟ่มีอาหารมีขนมจะสักห้าสิบอย่างมันมีแต่ปัญหานะ่ะอยากกินดูมันน่ากินกินเข้าไปไม่มีอร่อยนะ่ย เพราะว่าของอร่อยรวมกันสิบอย่างใส่เข้าไปในปากทีละอย่างไม่เคยอร่อยเลยมันอยู่ในบาดเลยตอนผมบวชเป็นพระนะคทุกคนเอาอาหารอย่างดีปราณนืมาถวายใส่เข้าไปในบาทผมก็เลยรู้ว่าอาหารที่อร่อยเมื่อมันมาอยู่รวมกันนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆสุดยอดของความอร่อยเมื่อมันมาอยู่รวมกันนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆ ไม่ได้เรื่องจริงๆในใจยังนึกว่าเออถ้าเอาขนมจีนน้ำยามาสักจานเดียวนะยังกินอร่อยหน่อยแต่ถ้าเอาทุกอย่างที่อร่อยอร่อยของทุกคนมารวมกันนีมันไม่ได้เรื่องเลยไม่มีอะไรได้เรื่องเลยเละเทะตุ่มเป๊ะไปหมดแต่อร่อยจะอร่อยแค่ไหนก็ตามขอมันเกิดลดับหายไปผู้ที่เห็นความจริงอย่างนี้ก็จะไม่หลงโลกไม่หลงโลกแล้วความจริงอย่างนี้จะเห็นจากข้างนอกไหม ก็เห็นมันอยู่ทุกวันแต่ทำไมมันถึงหลงได้มันเริ่มหลงจากข้างในนี้ก่อนถ้าข้างในนี้ไม่หลงข้างนอกไม่หลงถ้าข้างในนี้ไม่หลงข้างนอกไม่หลงถ้าหลงข้างนอกแปลว่าหลงข้างในเพราะฉะนั้นในหลักสูตรเบื้องต้นเราจะมาดูกันเราเริ่มต้นหลงที่ไหนเราหลงแน่บอกให้เลยหลงแน่หลงที่นี่แล้วข้างนอกผิดหมด ถ้าผิดที่นี่ทํายังไงก็ผิดเริ่มคิดก็ผิดแล้วเริ่มคิดก็ผิดเลยะที่บอกโอ้ยเข้าใจเข้าใจทุกเกิดที่ใจผมเห็นทุกที่พูดว่าทุกเกิดที่ใจเนี่ยไม่เห็นมีใครออกจากทุกได้สักคนทุกเกิดที่ใจใช่ทุกเกิดที่ใจแน่ๆทุกไม่เกิดที่อื่นอนั่งปวดขาบอกว่าปวดที่กายสุดท้ายก็มาบีบคั้นที่ใจอยู่ดีแหละ ให้เราต้องรู้จักก่อนว่ากายกับใจคืออะไรนะเอาง่า ย, ายเนี่ผมถามท่านง่ายๆท่านเดินไปนเหยียบขี้หมาเนี่ยขี้หมาเละเละเหม็นเหม็นเอาแบบหมาท้องเสียด้วยนะโแค่ขี้หมาก็แย่แล้วนะสังเกตไม่ว่าเวลาผมพูดเหยียบขี้หมาท่านก็จะเละเละทีนี้ขี้หมาเริ่มเละแล้วนะ มาท้องเสียอแล้วเหม็นด้วยทีนี้ได้กลิ่นออกมาเลยองเหลืองหย่ำแย่เหยียบเข้าไปขี้หมาแทรกเข้าไปตามร่องเท้าเนี่ยปิ้นออกมาตอนนี้เห็นภาพในใจตัวเองไหมเห็นนะมันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะผมพูดขี้หมามันขึ้นมาเหยียบขี้หม า, หมาพอเละๆปับ๊บไอขี้หมาที่เหยียบนั้นเละเลยนะในใจท่านนะผมไม่ได้พูดถึงนอกนะในใจท่านที่สร้างตามมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเริ่มเป็นสีเหลืองนะแล้วมีกลิ่นด้วยนะ เหม็นจงนจเหม็นเห็นไหมวนปุงขึ้นมาเรื่อยเอเอาละเดี๋ยวไอ้เรื่องผมไม่ได้จะพูดเรื่องปุงในใจเนี่ยเสร็จแล้วเรัจะกเก็บขี้หมาเสร็จไม่มีก๊อกน้ำเลยแถวนั้นไม่มีก๊อกน้ำไม่มีอะไรให้ล้างเลยก็เดินไปไเรื่อยเรืยในใจก็ อ้เนีอึดอัดขยะขยะงื้ออะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปถึงที่นอนเลยแล้วกันอ่ะไปถึงที่นอนเลยไม่มีที่ล้างเท้านอนขณะที่นอนกระสับกระส่ายไหมกระสับกระส่ายโอ้ยยิยย่งขยะงื้อโปกกว่าจะถึงเช้าเชื้อโรคทุกอย่างปรุงขึ้นมาเต็มไปหมดนะเอาล่ะผมหยุดแค่นี้พอผมถามว่าขี้หมาเปื้อนที่ไหน ที่เท้าถ้าผมเปลี่ยนเป็นง่ายๆคือเปลื่นที่กายถูกไหมแต่ตอนนี้ปัญหาคือขี้หมาเปื้อนที่ไหนที่ใจไม่ได้เปลื่นที่กายแล้วนะผมถามว่าถ้าใจมันไม่มีปัญหานะ่ะสมมติว่าเรายกใจออกเลยขี้หมาที่เท้าจะมีปัญหาไหมเท้ามันเคยพูดไหมเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ใจเนี่ยลงไปแปะกับขี้หมาด้วยไหม คนที่โดนคือเท้าอกกายก็ได้อ่ะจะได้เข้ามาสู่การปฏิบัติง่ายหน่อยคนที่โดนคือกายใจโดนไหมไม่โดนแล้วใจเกี่ยวอะไรแล้วใจทุกข์ทำไมก็ในเมื่อใจไม่ได้เปื้อนขี้หมานะ่ะถ้าจะเอาใจออกอ่ะเท้าบ่นไหมไม่บน่นเท้าทุกข์ไหมไม่ทุกข์เท้าจะทุกข์่ยขี้หมาไม่ได้แหลมซะหน่อย นี่ไงพวกที่บอกว่าทุ่มอยู่ที่ใจใช่ทุ่มมันอยู่ที่ใจเห็นหรือเปล่ามันเกิดยังไงแล้วมันจะดับยังไงแล้วจะดับใจเนี้ยังไงนี่แหละปัญญาการตัดสุขของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องที่มานั่งกราบไหว้ขออธิษฐานอะไรทั้งนั้นนะ เป็นเรื่องที่เข้ามาสู่ความจริงเมื่อเข้ามาสู่ความจริงเนี่ยความทุกข์ที่เราพูดกันมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยว่าทุกข์เกิดที่ใจเนี่ยมันจะดับลงไปที่ใจกายเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรเขาหรอกเขาก็เป็นก็อย่างนี้จะกินให้ดีชีว่าจิตแค่ไหนเนี่ยมันก็เป็นมันอย่างนี้มันมีอายุของมัน ยืดเวลาออกไปได้สักเท่าไหร่ก็เอาเถอะแต่สุดท้ายนะ่้นมันจบที่มันแตกทําลายวันที่มันแตกทําลายเนี่ยคนที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยจะเข้าไปยึดถือแล้วเป็นทุกข์มากนี่ผมพูดแค่แตกทําลายไปต้นสุดทางนะเอาแค่ป่วยเจ็บเป็นโรคโลหิตในสมองตีบอะไรเส้นโลหิตตีบตนันแตกนะ อมะเร็งทุกพลภาพพิการทุกหมดยังไม่ถึงตายเลยนะแค่นี้ก็ทุกตายแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ทํายังไงถึงจะเห็นความจริงนะที่เราเข้ามาศึกษากันเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจแล้วนะว่านั่งสมาธิมันจะมาเกี่ยวอะไรเดินจงกรมมันจะมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่อาจารย์กำลังพูดเนี่ยนะทุกมันอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ใจ แล้นั่งสมาธิเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจสติอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจปรุงแต่งด้วยความไม่รู้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจทุกอย่างมันรวมกันอยู่ที่เดียวเพราะฉะนั้นทำอะไรมันก็ลงไปที่เดียวกันเนี่ยจะแก้ก็แก้ที่เดียวเนี่ยนั่งสมาธิตรงนี้ตรงไหนวัดไหนที่บ้านที่อะไรก็ต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เยอะ แต่ขอให้ทำถูกอย่างเดียวมันก็มีที่เรียกสปายะก็มีนะยังมีสปายะอยู่เอาละนะทีนี้พอเราเริ่มเข้าใจเอาง่ายๆว่ากายกับใจเนะี่ยมันก็เหมือนชีวิตนะคือเอาเป็นว่าชีวิตนะไอ้ตัวนี้นะผมเพิ่งเคยเห็นนะน่ารักด้วยนะ เราก็ใช้ลายกันมามากนะวันนี้เอาไ อ, อหมีตัวนี้มาสอนธรรมะบ้างนะเคยส่งแต่ให้มันละชีวิตประกอบด้วยกายกับใจนะกายกับใจแต่นี่มีสองตัวนะมีสองตัว เอาตัวไหนเอาตัวนี้แล้วกันนะไอ้นี่เหยียบขี้หมาแต่ไอันี้เดือดร้อนนะไอ้นี่เหยียบขึ้นมาไอ้นี่เดือดร้อนถ้าไม่ไอันี้ไม่เดือดร้อนนะอันนี้ไม่พูดอะไร อันนี้ไม่พูดอะไรเลยอันนี้เงียบแต่คนที่พูดคืออันนี้ข้างในใจิตใจนั่งสมาธิอยู่ในท่านี้นานๆตอนนี้ก็อาจจะปวดเน็บคันชาหรืออะไรก็ว่าไปกายส่งผลมาที่ใจส่งผลนะ ส่งผลเขาเรียกเวทนาทางกายเวทนาทางกายเนี่ยมันเกือบจะคือมันเป็นรอยต่อจากกายสู่ใจเป็นรอยต่อเป็นผลกระทบ เพื่อนทีนี้ถ้าเรามาฝึกที่ใจอนาคตมันจะเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันหมดเพราะว่าทุกอย่างมันมารวมกันอยู่ที่นี่ถ้าท่านนั่งปวดขาผมพูดคำเดียวว่าอดทนปัญญายังไม่เกิดหผมจะชี้แจงให้ท่านว่าเพราะท่านเข้าไปยึดถือเวทนาเลยท่านไม่รู้เรื่อง เขามีจิตโง่เข้าไปยึดเวทนาเวทนาจึงกลายเป็นตัวตนขึ้นมาท่านก็ฟังไปงั้นนะแต่พอนั่งก็ปวดขาปวดขาก็ทนไม่ไหวมีแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรในพื้นฐานไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรมากอดทนมีคนเขียนคำถามขึ้นมาให้ผมเมื่อคอสที่แล้วอาจารย์เขียนน่ารับ อาจารย์ช่วยอธิบายให้ละเอียดว่าให้พวกเรานั่งสมาธิทำไมโดยชี้แจงเหตุผลทั้งหมด<笑><笑>ผมบอกว่าขอโทษนะมันเป็นความลับ<笑><笑><笑><笑> <c oughs> มันเป็นความลับของอาจารย์ ซึ่งเปิดเผยไม่ได้ผมพูดเผยได้อย่างเดียวคืออดทน <c oughs> วันที่ผมเข้ามาปฏิบัติวันแรกผมคิดเหมือนท่านที่เขียนมาถามผมเลยแม่งได้อะไรวะนั่งแบบนี้ปวดชิบเป่งเลยมีแต่ทุกข์ใครบอกว่านั่งสมาธิแล้วมีความสุขสมาธิทำให้เกิดความสุขเคยได้ยินมานี่ผมนั่งจะไม่เคยพบสวรรค์เลยนี่นรกชัดๆ <c oughs> นี่มันนรกเลยนั่งเปแล้วนั่งไปแล้ ว, ลวจะเพียนเพ่งเผากี่เลยได้ยินมาอย่างเงี้ยในใจก็นั่งไปเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดก่มไม่ได้เผากี่เลยมันเผากูเนี่ยตอนเ <c oughs> นี้ยเผากูนี่แหละจะตายแล้ว เขากูนี่แหละนะเขาโทษนะผมไม่ได้พูดคําหยาบอะไรนะแต่ถ้าท่านเข้าใจเมื่อะไหร่ท่านจะรู้เลยว่ากูนี่แหละกิเลสไอ้ที่อึดอัดอยู่กันไม่ได้ไม่ว่าจะอะไรเนะี่ยเพราะกูนี่แหละกูนี่แหละคือของที่ไม่เคยมีเลยแล้วถูกสร้างขึ้นมาด้วยความไม่รู้จริงๆเอาละพูดไปพูดมาเดี๋ยวมันจะไปคอสเข้มนะ ไปเรื่อยแล้วเอาเริ่มเราก็เริ่มมาพื้นฐานก่อนแล้วกันนะเท่าที่ผมดูจากที่ท่านยกมือกันมาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่เคยปฏิบัติกันมาแล้วนะอาจจะมีครั้งแรกจริงๆก็สักส่วนหนึ่งคอร์สนี้ผมจะไม่ลงไปที่ กิจกรรมอะไรเยอะมากนักจะไปที่แกนนให้ไปเร็วๆ แ, แล้วจะได้มีเวลาปฏิบัติมากขึ้นแล้วไปชี้ที่การปฏิบัติคือคอร์สของเราเนี่ยคอร์สพื้นฐานเนี่ยความที่มันแค่สามวั น, นมันจึงมีจุดอ่อนมีจุดอ่อนจุดอ่อนคือสร้างความเข้าใจได้ แต่นําไปสู่การปฏิบัติลําบากก็ไม่รู้สามวันจะทํำยังไงนะเพราะคนอื่นเขาปฏิบัติกันสามปีก็ยังไม่พ้นเลยะนี่สามวันจะเอากันหลุดเลยมันก็ลําบากเหมือนกันมันไม่ได้ลําบากที่ท่านหรือไม่ลำบากที่ผมจะพูดยังไงขนาดผมเองก็ยังปฏิบัติมาตั้งถึงวันนี้ถ้านับจากวันวันที่ปฏิบัติเมื่อปีสองพันหนึร้อยสี่สิบนี่หกสิบเอ็ดแล้วเนยยสิบเอ็ดปีแล้ว แต่ต้องทำให้ท่านเข้าใจในสามวันห้าวันเจ็ดวันเนี่ยทั้งๆ ท, ที่แม้แต่ตัวเองยังต้องใช้เวลามากขนาดนั้นเพื่อจะทำความเข้าใจในแต่ละเรื่องทีละเรื่องเนี่ยมันก็คงได้แค่ช่วยให้มั่นใจเท่า น, นั้นเองนะแต่ทั้งหมดคงต้องไปทำเองทีนี้แหละพอทำเองเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาทั้งทำถูกทำผิดทั้งไม่ทำ ไม่ทำนั่นก็หนักกว่าไอ้ทาถูกทาผิดเนี่ยมันยังพอแก้ได้ปรับปรับนิดๆิหน่อยหน่อยมันก็เข้าทางได้ผิดไปบ้างไม่ได้ผิดเยอะฉนั้นเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันก็คือเรื่องของกุศลอกุศลก่อนตัวนี้ยังไงก็ต้องเรียนรู้จะต้องเข้าใจคือถ้ากุศลอกุศลไม่รู้เนี่ย มันไม่รู้จะปฏิบัติต่ อ, อยังไงเพราะทั้งกุศลอกุศลเนี่ยมันอยู่ที่ใจทั้งหมด แล้วอนิสงฆ์แห่งทานของท่านเนี่ยจะมาหาศาลแล้วก็เป็นการทำบุญทําทานที่สมบูรณ์แบบแเพราะฉะนั้นชำระใจของตัวเองให้ได้อะไรๆก็จะดีกับชีวิตเอง mm hmm. วันนี้เราจะมาดูกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิเพราะผู้ที่จะเกิดสัมมาทิฏฐิได้เนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องของกุศลอกุศลวันนี้เราดูเหมือนทุกคนจะเข้าใจแต่จะเข้าใจแค่ไหนยังไงลองดูกันให้จบตอนนี้ผมว่าท่านอาจจะได้แง่คิดมุมมองอะไรเพิ่มเติมขึ้นก็ได้ ชายคนหนึ่งวันนี้คือวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของเขาวันนี้ก็เลยไปหาซื้อข้าของเพื่อจะใส่ในวันพรุ่งนี้เช้าเพราะเป็นวันเกิดหลังจากที่ทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็แวะซื้อของเข้าถึงบ้านก็าอาจจะสองสาทุ่มก็เหนื่อยแล้วอาจจะบอกแฟนบอกภรรยาหรือบอกลูกหรือบอกเพื่อนร่วมห้องบอกว่าวันนี้เหนื่อยจังเลย เตรียาจังเดี๋ยวจะจะไปพักยังไงพรุ่งนี้ช่วยเอาใส่ถาดให้หน่อยนะพรุนี้เป็นวันเกิดทุกคนก็บอกออเอาอาเอาที่เอาสิตเดี๋ยวจัด ก, การให้นะพรุ่งนี้ลงมาจะได้ใส่บาตเราก็ขึ้นนอนด้วยความเหน็ดนื่อยเช้าตื่นขึ้นมาสดใสออวันนี้เป็นวันเกิดเตรียมจะลงไปใส่บาตเห็นถุงอยู่เหมือนเดิมข้าวของอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครจัด ก, การอะไรให้ไม่ได้อย่างเดียวผมรับประกันได้เลยว่าคนคนนั้ น, นปีติขึ้น ในขณะที่ทุกคนที่เราไหว้วานเนี่ยรับปากเราเรียบร้อยแนละ้วตอนนั้นปีติขึ้นอะไรกันวานแค่นี้รับปากกันแล้วบอกว่าจะช่วยตอนนั้นท่านก็จะบน่บนบน่บนบน่บนบน่บนบน่นเต็มไปหมดก็เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาแต่หันไปเห็นพระกำลังเดินมาพอดีไม่ต้องใส่แล้วถาดเถิดก็คว้าไปทั้งถุงก๊อปแก๊นั่นแหละขณะที่เดินอาดอาดอาอาอาไปเพื่อจะไปนิมนต์พระผมก็รับประกันได้เลยว่า ในใจของท่านยังขุนอยู่จากนั้นเดินไปถึงก็นิมนต์พระขณะที่พระกําลังเปิดฝาบาตรแล้วท่านก็กำลังหยิบถุงใส่ลงไปในบาตรผมก็รับรองได้เลยว่าขณะนั้นท่านก็ยังคิดเรื่องนี้ไม่เลิกยังขุนอยู่ไม่เลิกหยิบลงไปหยิบลงไปหยิบลงไปใส่ถุงลงไปพระปิดฝาบาตรปั๊บนั่งลงรับพรผมก็ไม่รู้ว่าใจของท่านอยู่ที่การรับพรหรือเปล่าหรือก็ยังขุนอยู่กับเรื่องนั้นอยู่ ด้วยความโมโหจริงๆครั้งนี้วานหลายทีแล้วไม่นึกว่าครั้งนี้จะเป็นอย่างนี้อีกจากนั้นพอพระเริ่มหันหลังไปเรากำลังจะเดินเข้าบ้านหันไปเห็นพระด้วยความที่คนเราใจมัขุ่นเนี่ยมันเริ่มแขวะไปที่อื่นเห็นพระเดินเร็วหน่อยอพระเดี๋ยวนี้ไม่สํารวมเลยเอา้าวเป็นอย่างนั้นไปในใจหันไปเห็นพระอีกรูปหนึ่งเดินมาช้าๆออกมาบินธบัต <c oughs> ิแม่น่าจะใส่องนู้นท้าไม่น่าใส่องค์นี้เลยเอา้าวเป็นอย่างนั้นซะอีก เห็นไหมครับว่าใจที่กำลังคุนคุนอ่มันพร้อมจะทำบาปทำชั่วได้ทุกเวลาจากนั้นเอาละเดี๋ยวต้องขอต่อว่าหน่อยท่านเดินเข้าไปในบ้านหยิบโทรศัพท์กดเข้าไปหาคนที่รับปากท่านไว้แล้วก็ต่อว่าไหนบอกว่าอันนี้จะใส่ถาดให้ไงเนี่ยดูสิตื่นมาไม่มีอะก็ใส่ใส่ใส่ไปเราลองมาดูกันเริ่มต้นกันใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นลงมาตาเห็นข้าวของที่วางอยู่ไม่มีคนจัดการให้ อกุศลเกิดทันทีตาเห็นเข้าของที่วางอยู่เนื่องจากไหว้วานขนไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานพอเห็นปับ๊บโกรธเลยทำไมถึงโกรธ เ, เขาไม่ทำให้ใจก็เริ่มโกรธขึ้นมา ไอ้โกรธเนี่ยเวลาวานใครแล้วเขาไม่ทำให้เนี่ยเป็นมานานเนี่ยเป็นมานานเป็นมานานจนชินเป็นมานานจนชินถ้าเลยไปอีกสักปีหนึ่งไปวัวนไหววานให้ใครทำอะไรให้แล้วเขาไม่ทำให้จะโกรธอีกไหมไปีข้างหน้าแล้วก็โกรธอีก มันชินกับการโกรธมาอย่างนี้ทางธรรมะเรียกอนุสัยภาษาไทยเรียกสันดานคือมันโกรธจนเป็นสันดานเพราะฉะนั้นอกุศลเกิดจนเป็นสันดานการที่จะออกจากสันดานแบบนี้ท่านว่า ง, ง่ายัหมแล้วท่านว่าจะออกอยังไง มีสติรู้ทันโอเคมีสติรู้ทันคนที่เรากำลังพูดถึงฝากเพื่อนเอาของใส่บาตรเอาเอาสองใส่ถาดแล้วเขาไม่ทำให้โกรธบอกให้มีสติรู้ทันพอโกรธปับ๊บมีสติรู้ทัน โกรธหายไหมอืมก็หายบ้างไม่หายบ้างบางทีก็หายเหมือนกันอ่ะแต่บางทีก็ไม่หายอ่ะโอเคมีสติเข้าไปแล้วบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายแล้วทําไมบางทีหายบางทีไม่หายก็คอองลืมขึ้นกับเรื่องนั้นมั้งถ้าเรื่องนั้นมันเรื่องใหญ่ก็ไม่หายนะสมมติว่ามีคนคนตายอย่างเงี้ยอกหักอย่างเงี้ย รู้ทันยังไงก็ไม่หายนะก็ยังทุกข์ยังร้องยังอะไรอยู่อย่างนั้นยังเศร้ายังแล้วทมอยู่อย่างนั้นแต่บางเรื่องมีคนนินทามาฉันก็หายเรื่องมันเล็กมากแล้วอะไรละ่ะที่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มันต่างกันยังไงไอ้เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ทําไมบางคนสามีตายทุกข์แทบตายบางคนสามีตายไม่ทุกข์ บางคนสุนัขตายทุกแทบตายอีกคนสุนัขตายเหม็นทุกเลยตกลงเรื่องหมาเรื่องเล็กหรือเรื่องผัวเรื่องเล็กไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้ น, น, นเกี่ยวกับยึดยึดมากทุกมากวางไม่ลงยึดน้อยกลายเป็นเรื่องนั้นขี้ผง แค่เป่าทิ้งก็หายแล้วยังไม่ต้องทําอะไรแทบจะไม่ต้องใช้ด้วยสติเนี่ยหลงๆอยู่ก็หายได้ <c oughs> ไม่ต้องมีสติแล้วผมเห็นคนในโลกเขาก็เห็นไม่เห็นมีสติกันเลยเห็นดาราคนนั้นก็อกหกักองค์คนนี้ก็แยกทางกันแล้วนี่ก็เตียงหกักก็ไม่เหน็นจะมาปฏิบัติธรรมก็หายได้นะสักพักก็เห็นมีคนใหม่ควงคนใหม่อีกแล้ว อยู่กันหลงหลงหลงหลงก็ได้นะแต่มันก็หลงอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็เปลี่ยนเรื่องหลงไงก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆมันก็เรื่องใหม่มากรบเรื่องเก่าเรื่องใหม่มากบเรื่องเก่าไม่เคยหายหรอกเอาล่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่นี่กลับมาที่นี่มันเรื่องเดียวกันหมดนะมันเรื่องเดียวกันหมดแล้วมันมาจากความเคยชินฟังไว้แค่นี้ก่อนเพราะความเคยชิน เราจึงทำสิ่งต่างๆขึ้นมามากมายเรายังเกิดอารมณ์ขึ้นมามากมายเราจึงเกิดทั้งกุศลและอกุศลขึ้นมามากมายจากความเคยชินที่เราไม่รู้ตัวเลยความโกรธเกิดขึ้นทันทีโทสะเกิดทันทีระหว่างที่กำลังเดินออกไปใส่บาตรขณะนั้นความโกรธอกุศลก็ยังอยู่ติดตามตัวท่านไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไปถึงนิมนต์พระพระมายืนเปิดฝาบาทก็ยังเกิดอกุศลต่อไปเรื่อยๆเห็นเลยว่าอากุศลเกิดตลอดเวลาแต่เมื่อเราทำทาบุญใส่บาตรจบเราบอกว่าเราไปทาบุญใส่บาตรแต่เราย้อนกลับมาดูทีละขณะทีละขณะเราไม่เห็นเลยบุญเราเห็นแต่อักขุศนตลอดเวลาเลยจนกระทั่งพระรับบาตรเสร็จให้พรเสร็จหมุนตัวกลับเรายังตามมามพระได้อีก เรายิ่งทำบาปทำชั่วหนักขึ้นไปอีกะอะ น, นั้นภูมิของสัตว์น ร, รกได้เกิดขึ้นแล้วจากนั้นเดินกลับเข้าบ้านควักพระเดินมาสมมติท่านเดินภาวนามีสติสัมป ช, ชัญญะใจเป็นกุศลออกมาโปรดสาตร์บินธาบาทเปิดบาตรคนที่กําลังใส่บาตรเกิดอกุศลพระที่กำลังรับบาตรเป็นกุศล คนมีใจอกุศลใส่ลงมาท่านก็โอโ้อนุโมทนานะให้พรเสร็จทัางเข้าไปฝั่งของท่านเต็มไปด้วยกุศลตลอดเวลาคนให้มีแต่อกุศลเกี่ยวกันไหมคนสองคนมีปฏิสัมพันธ์กันคนหนึ่งเป็นผู้ให้คนหนึ่งเป็นผู้รับพระเจ้าเรียกท้ายยกคนที่ให้อกุศลคนรับเป็นกุศล มีอะไรเกี่ยวข้องกันไหมไม่มีเลยต่อให้คนในใจพ่ ด, ด่าพระองค์นี้ให้ให้ตายพระองค์นี้ทําไม่ดีฉันเห็นหมาว่าอากุศลอยู่ที่ใครอยู่ที่คนกําลังพูดแล้วคนรับเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแล้วถ้าวันหนึ่งที่บอกว่าวิบากกรรมส่งผลเนี่ยพระไปทํำไหมไม่ได้ทําแล้วผลแห่งวิบากเกิดจากใครเกิดจากใจของตัวเอง เป็นคนเริ่มเดินมาปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ปลายจากกันท่านเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับจะกา ก, กุศลอกุศลไม่มีใครรู้นั่งกันอยู่เนี้ยมีทั้งกุศลอกุศลแล้วก็แยกทางกันไปหมดเมื่ออกุศลก็ส่งผลวิบากก็มารับที่ตัวเองคนเดียวเดี่ยวเดีย ว, ยวไม่ยุ่งกับใครนรกเทเลเมตตัดเฉพาะตัว ไม่มีเต็มไม่ต้องห่วงนะว่าไปอยู่กันเยอะๆมันจะเต็มไม่มีเต็มเพราะว่าเฉพาะตัวเฉพาะตนอึดอัดขัดเคืองอยู่ในตัวในตนไม่เป็นล้นถึงคนอื่นนั่งอยู่ข้างๆตัวติดกันก็ไม่ล้นไปนะคนหนึ่งกูสนคนหนึ่งอกูสลอกูสลก็อยู่กับคนอกูสลนั้นและไม่ล้นไปหาคนกูสลไม่ต้องห่วงไม่ใช่นั่งนั่งออกมาเป็น๊อคอนไหลออกมาไม่ต้องไม่มี อยู่ในตัวนี่แหละอยู่ในใจนี่แหละไม่ต้องอยู่ในตัวนี่แหละอยู่กายวานางคือมบไม่หล้นออกไปไหนล่ะเฉพาะตัวพระเจ้าตรัสในคีดิมนันนทสูตรบอกเปรียบสเสมือนอุปมาเหมือนมเมล็ดข้าวสารที่อยู่ในกระสอบข้าวสารเม็ดมันติดกันยังไม่ยังจะไม่เห็นกันเลย <S <S 1> <S 1> คืออยู่แต่ละเม็ดแต่ละเม็เกียงนั่นแ น, น่นแกันอยู่งั้นแนหะแต่เฉพาะตนหมดนะเฉะพาะตนหมด เะตนเพราะฉะนั้นให้เห็นเลยถ้าเราเข้าใจตรง น, นี้เดี๋ยวเราจะเชื่อมโยงไปคนที่ด่าเราเนี่ยคนที่ว่าเราเนที่เราอยู่ในสังคมในโลกมันมีกันด่ากันในโซเชียลด่ากันต่อหน้าด่ากันเจ้านายด่าลูกน้องอะไรเยอะแยะไปหมดมันไม่ใช่เขาด่าเราหรอกเขานี่ยด่าส่วนเรานะ่ยจะรับไม่รับ ถ้าเราทำผิดเราก็ปรับปรุงถ้าเราไม่ได้ทำผิดเราจะไปเดือดร้อนอะไรเรื่องมีแค่นี้เองทีนี้มันต้องเข้าใจก่อนค่อยๆเข้าใจสิ่งนี้ก่อนแล้วนั่งสมาธิมาเกี่ยวอะไรก็ใจที่มันไร้รูปแบบใจที่มันคิดฟุ้งซ่านใจที่มันนั่งบน่นมีแต่ตัวตนมีแต่ความการขําควนมีแต่การหลงถ้าไม่มาฝึกระเบียบไม่มาฝึกจิตฝึกใจกันเลยเนี่ยมันจะมันจะให้พ้นไปอย่างไร สติมันจะมีไหมในคนธรรมดามีซัเมื่อไรที่บอกว่าเกิดอกุศลแล้วทำยังไงมีสติแล้วไหนละสติจะเอาสติที่ไหนในเมื่อมันไม่เคยคุ้นเลยที่จะมีสติเพราะมันก็ต้องมาฝึกมีสมาธิแล้วเดี๋ยวก็ฝึกจากการกระทบเมื่อมีการกระทบก็เริ่มมีความรู้สึกค่อยมาเห็นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นสติขึ้นมาเตือน ไม่ใช่อยู่ๆก็มาบอกว่าฝึกสติฝึกสติมาเดินฝึกสติผมเห็นออกไปก็ไม่เห็นมีใครมีสติเลยก็ออกไปก็ลืมหมดเกิดอะไรขึ้นก็ด่ากันไปตั้งนานแล้วเอ้าไม่มีสติอีกแล้วเราไหนละสตนะิเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดนะมันจะไม่เชื่อมโยงยังไงเพราะโลกทั้งโลกมันมีแค่ใจของเราแค่นั้นเองนะโทรศัพท์ ด้วยความที่อาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นโทรสาเกิดขึ้นโทรศัพท์ไปต่อว่าไปต่อเมื่อเราเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ตามจริงเราจะเห็นเลยว่าเราไม่เห็นเราไม่เห็นกุศลเลยเราไม่เห็นการทำบุญใส่บาทที่แท้จริงเลยทำไมมันกลายเป็นอกุศลทั้งหมดหรือว่ามนุษย์ไม่รู้จักกุศลอกุศลจริงๆยุงบินมาวีกัดมักตบขั้ว คนทั่วไปก็ตบยุ่งกันเป็นปกติสมมตินั่งคุยกับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนก็ตบยุง่งนั่งเพี้ยผ้าเพี้ยผ้าอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเป็นนักปฏิบัติหรือว่าเราเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเราก็า จ, จะตักเตือนก็อย่าไปตบยุงมันบาปคนนั้นก็จะบอกว่าอืมไม่บาปมันกัดชั้นกรมันกัดชั้นก่อนหรืออีกประเภทหนึ่งก็บอกว่าไอ้บาปล้อกไม่เจตนาไม่เจตนาเลยเหร ไม่เจตนาไม่เจตนาเลยนะมือมันไปเองไม่เจตนาทันทีที่เสียงยุงบินมาวิ้กระทบหูเนี่ยใจเริ่มค่อยค่อยขุนแล้วก็ขุนมากขึ้นเรื่อยเรื่ยขุนมากขึ้นเรื่อยเื่อเริ่มเกิดจากความลาคาญจากความลาคาญเป็นความแค้นเป็นความโกรธเป็นความอาฆาตเป็นความพยาบามยุงบินมาวิ้กัดมับตกตกนี้จนชินแล้ว พวกเราก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมผมว่าเคยตกกันตอนนั้นแหละนะตกเป็นจนชินอนะ่ะพอมาฝึกได้ยินว่าตกมัมบาปนะพออุ๊ก็อาจจะพลาดไปด้วยเอาตายแล้วตกไปแล้วนะเลยสักมันบาปอแต่ใจแค้นนะใจมันโกรธอยู่แต่อจะทําทมันเริ่มมีเจตนาเป็นเครื่องเว้นนะเข้าใจนะมีเจตนาเป็นเครื่องเว้นถ้าเอาเจตนาเป็นเครื่องเว้นออกแสดงว่ามีเจตนาจะตกไหมใช่ โอ้ยนี่ยดี๋ยตบไม่เจตนาเนี่ยลองตบไม่โดนดิตบไม่โดนนี้แขนหนักเลยนะอีน่บินแล้วนัดมึงเดือ ย, ยแขนหนักกว่าเดิมอีกแล้วยังปากยังบอกไม่เจตนาเพราฉะนั้นฝึกเนี่ยฝึกยุงวิ่กัดมับเกิดอะไรขึ้นเจตนาเป็นเครื่องเวน้นจะแอบเรียกสติ ก็ยังแทบจะเริ่มได้แล้วเดี๋ยวไปทำมันเลยเมื่อก่อนถ้าวิ้ยพรับมิเตอร์กระดิกปืด๊ดคำสั่งค่าปังนะเป็นอัตโนมัติวิ้ยวิยวิยคือวิหาไม่เจอนี่หุ่นกิดเลยนะอย่างไรนะหุ่นกิดละมันชินไปหมดแล้วมันเป็นอัตโนมัติเข้าใจไหม มันเป็นอัตโนมัติคืออัตโนมัติในการทำบาป ท, ทำชั่วทำอกุศลเข้าใจอย่างนี้ก่อนมันมีอัตโนมัติในการทำบาป ท, ทำชั่วทำอกุศลปุยความเป็นอัตโนมัติมันขาดตอนอเดี๋ยวไปทำมันแล้วบาปกรรมเดี๋ยวเกิดเป็นยุงแล้วแต่อะไรก็ได้เดี๋ยวเกิดเป็นยุ ง, ยยงมันเป็นกุศล อย่าไปทํมันเป็นบาปเป็นชั่วเป็นออ้าวจะใช้วิธีไหนก็ได้หยุดละครั้งที่สิบวีตกไงก็ไม่หมดแล้ววะใช่ไหมปัดๆอุ้ยครั้งที่ร้อยกอดแน่นนะนะอันนี้เรมไม่ฆ่าแล้วนะแต่ดีสะกระเด็นนะ อครั้งที่ร้อยกว่าลุกๆนะทำไปที่เรื่อยไม่รู้ตัวนั่งทำงานวี้ก็ทำไปวี้กทำไปนะคือพอพอไม่โกรธก็เลยให้มันขัดเลย อยางงั้นก็ได้นะก็ไม่ได้ว่ากันถ้าวันไหนอยากจะบริจาคโลจิตขนาดนั้นก็เอาไปเลยแต่ก็ปัแต่ไม่มีอะไรที่จะมาฆ่ามาแกงมาอะไรกันละผมถามว่าพอถึงครั้งที่ผั น, นี่ยที่มันเกิดขึ้นนี่ยความเคยชินเดิมหายไปยังมันเข้าสู่ความเคยชินใหม่เอาละกันพูดอย่างนี้ละกันแต่ความเคยชินใหม่เนี่ยไม่อยู่บนความหลง จากสติในวันที่สิบในวันที่ร้อยที่เข้าไปฝืนเอาไว้เนี่ยสติในวันที่พันเนี่ยที่ปัดๆหนูก็ไม่ได้มีสตินะอาจารย์แต่ก็ไม่เห็นจะมีรู้สึกจะโกรธจะฆ่าอะไรกันเลยเขาเรียกเนี่ยว่าเป็นผู้มามีสติสมบูรณ์ เราไปรู้จักคาว่าสติแค่การจงใจเข้าไปมีแต่การที่จงใจเข้าไปมีในวันแรกๆมันจะกลายเป็นอัตโนมัติในวันหลังๆแล้วหลังจากนั้นคนคนนั้นจะเข้าสู่วิถีใหม่เข้าสู่วิถีใหม่จริงๆเขาไม่ได้ใช้ความความเคยชินใหม่แล้วะ เพราะความเคยชินเนี่ยมันติดมาด้วยความหลงมันจะเข้าสู่วิถีจิตใหม่ที่เต็มไปด้วยสติปัญญาความโลภความโกรธความหลงเข้าไม่ถึงอนาคตข้างหน้าวีมาก็ปัดไปเหมือนที่ท่านพุทธทาสบอกว่ายุ่งยุงมันวีแล้วก็ปัดให้เหมือนกับควายที่มันปัดไล่มแมลงทั้งหลายที่มาตอมมัน หามันก็ปัดปปปปขยขังก็กินย่ามไปมก็ไม่เห็นมันขันมาด่าดมาแงอะไรเก็กินไปเราทำงานทำการนั่งอยู่คุยกันก็ว้มาก็ปัดไปก็คุยต่อไปวี้มาก็ปัดไปแล้วก็คุยต่อไปวี้มันจะทำงานอะไรก็ทำต่อไปแล้วก็ปัดปั ด, ปดไ ป, ไปอย่างนี้เรียกไม่มีสติไหม ก็มีสติแล้วสติต้องจงใจไหมก็ไม่เห็นมีอะไรต้องจงใจแล้วมาจากไหนมาจากการมีสติจงใจแล้ววันข้างหน้าถ้าทำอย่างต่อเนื่องจริงๆจะเกิดสติสมบูรณ์แล้วเมื่อทำอย่างนี้ในทุกๆข้อในองค์มรรคเนี่ยจิตใจจะเข้าสู่ทางสายกลาง ซึ่งไม่มีอกุศสเข้ามาปนอีกเลยจะเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่เป็นความเคยชินใหม่ตรงนี้มันควรจะเป็นบทจบของมันสุดท้ายไม่ใช่เหรอเอ๊ะ <c oughs> ผมน้องนาฏิกานี่มันเพิ่งผ่านมาครึ่งชั่วโมงเอง <c oughs> สอนยากลนะ ถ้ไปเปิดโตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์กันดีไหม <laughs> มันทวีความรุนแรงขึ้ น, นเรื่อยๆจากเสียงที่กระทบวิ่งวี่นานวีใกล้ใจเริ่มไปเกิดเป็นอักขุสนตลอดเวลาเป็นโทสะเพิ่มขึ้นจากนั้นมันคล้ายๆกับเอาการน้ําตั้งบนตงเตาไฟตั้งแ ร, แรกมันก็เดือดปุดปุ้ดปุดปุ ด, ดน้อยๆยิ่งตั้งนานก็เริ่มเดือดมากขึ้นเดือดมากขึ้นมากขึ้นฝาคาเริ่มขยับก็คล้ายๆกับมือเริ่มขยับสมมติมันบินมา มันเกาะมือเริ่มขยับรอแล้วพอมันปักเข็มปึ๊กดูดปื้ดเข้าไปโกรธปี๊ดคําสั่งฆ่ามาปั้งเลยเรายังบอกว่าเราไม่เจตนาเริ่มต้นตั้งแต่น้อยๆจนกระทั่งถึงคําสั่งฆ่าพัววลงไปทําไมเราจึงไม่เห็นถ้าเรารู้จักโทสะเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าโทสะค่อยๆก่อตัวมากขึ้นเรื่อยๆโทสะค่อยๆก่อตัวมากขึ้นเรื่อยๆ จากเสียงที่กระทบเสียงที่กระทบเสียงก็กระทบหรือว่าอากุศนทั้งหลายก่อตัวโดยที่เราไม่รู้ทำไมเราถึงไม่รู้เพราะเราไม่มีสติเลยการที่บอกว่าเพราะเราไม่มีสติเลยจริงๆถ้าอีกมิติหนึ่งที่เราพูดกันมาก็คือเพราะเราชินไปกับมัน จนมันกลายเป็นวิถีของเราไปแล้วที่วิไปอย่างนี้ต้องตอบสนองแบบนี้มีคนด่ามาอย่างนี้ต้องตอบสนองไปอย่างนี้คือมันกลายเป็นวิถีของทุกคนไปแล้วการมาปฏิบัติธรรมคือเปลี่ยนวิถีของความเคยชินที่จะสร้างบาปอกุศลขึ้นมา เมื่อเปลี่ยนวิธีนี้เมื่อมีสติเข้าไปแทรกจะเข้าสู่ความเป็นกุศลมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อรวมพลังกันทุนทกๆจุดแล้วจะย้อนกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าย้อนกลับไปมันก็ไปเรื่องของสติอยู่ดีแต่วันนี้ผมจะทำให้เห็นก่อนว่าอากุศลที่เกิดขึ้นในใจมันเกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลา อาจจะมีกุศลด้วยไม่ใช่มีแต่อกุศลกุศลก็มีอยู่ด้วยอกุศลก็มีอยู่ด้วยแต่ถ้าเราเอาเวลาในชีวิตของเรามาตีแผ่แล้วก็มาลองพลอตดูจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าอกุศลของเราที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะเนี่ยมันเยอะมากหากอกุศลเป็นตัวนําพาเกิดสู่ทุกขติภูมิเป็นส่วนใหญ่มันจะไม่แปลกใจเลยหากชีวิตของเราหลังจากนี้ไปถ้าต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วไปอยู่ในทุกขติภูมิเพราะชีวิตของเราเต็มไปได้วยอกุศลตลอดเวลาเลย ถ้าวันนี้เราเริ่มเข้าใจมีสติแล้วก็จัด ก, การกับอกุศลได้แล้วเปลี่ยนเป็นกุศลได้เปลี่ยนอกุศลเป็นกุศลเปลี่ยนอกุศลเป็นกุศลเป็นการพลิกพลิกพลิกไปตลอดเวลากุศลเราจะขึ้นมาแทนเมื่อกุศลขึ้นมาแทนก็จะเต็มไปได้วยความสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่เราบอกว่าไม่ว่าจะ ยุงบินมาก็ดีหรือการออกไปทําบุญใส่บาตรก็ดีเราจะได้เริ่มเห็นว่าที่ปากเราบอกว่าเราทําบุญมันทําท่าเหมือนกับจะขัดขัดกันเลียนน้อยๆยนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าการทําบุญใส่บาตรไม่ได้เลยนะอา น, นิสงส์งของการทาทานที่ท่านมีอยู่ยังมีอยู่แต่กุศลเนี่ยไม่มีเลยตอนนั้นมาอีกสักตัวอย่างหนึ่งอาจจะทําให้เห็นได้ง่ายขึ้นอีกเนื่องจากคนในโลกเนี่ยไม่เข้าใจเรื่อง เรื่องของกายใจแต่ทุกคนดูเหมือนจะเข้าใจแต่จริงๆเขาไม่ได้เข้าใจเจ็ดพันกว่าล้านคนไม่มีใครเข้าใจเลยชีวิตประกอบด้วยกายกับใจรู้เข้าใจไม่เข้าใจหรอกนะเมื่อกี้เหยียบขี้หมาก็ยังถ้าไม่บอกก็ไม่รู้บางคนยังไม่รู้เลยว่า มันคืออะไรใจอะไรพูดกายอะไรเหยียบก็ชั้นไม่ใช่ชั้นเหยียบชั้นก็บ น, แ ล, นแล้วทำไมเนี่ยคือถ้าไม่เริ่มนั่งสมาธินะมันสอนไม่ได้แรก้กุศลกุศลคือมันเป็นเราไปหมด มันเป็นเราไปหมดมันไม่ได้เห็นกายกับใจยุงบินมาวิ่เสียงกระทบหูเข้าไปถึงข้างในนี่เสียงเนี่ยกระทบหูก่อนจากนั้นหูได้ยินก็จะถูกปรุงขึ้นมาอยู่ในใจนะถูกปรุงขึ้นมาอยู่ในใจ ถ้าเอาเปลือกออกคนที่ร้อนคืออยู่ที่นี่นะวิยังไม่ทันกัดเลยนะแค่วิเนี่ยนะวีเนี่ยังไม่กัดนะแค่เสียงกระทบหูมาเนี่ยเสียงกระทบหูมาเนี่ยจากหูเนี่ยมส่งเข้าไปที่เนี่ยนะเข้าไปอยู่ในเนี่ยหูร้อนหรอตอนยุงบินวิเนี่ยหูไม่ได้ร้อน แต่หูน่ะเป็นของร้อนหูน่ะเป็นของร้อนพอหูเป็นของร้อนเนื่องจากเป็นมีการยึดถือหูเนี่ยนี่เปิดคอร์สเดียวไปหมดนะทั้งอยายตนะทั้งปฏิจจะทั้งอะไรเนี่ยใครเข้าใจตรงไหนก็จะเข้าใจตรงนั้นเลยหูน่ะเป็นของร้อนแต่มันไม่ร้อนหรอก มันร้อนที่ใจเนี่ยใจกำลังร้อนอุ้ยใจร้อนแล้วกระทบพึ่งพึใจร้อนเลยร้อนก็กระสับกระส่ายอยากตกแล้วนะมือไม้สัน่นพึ่งกเลยนะเพราะนั้นนี่อยู่ที่นี่กายใจวันนี้สติก็บอกว่าอยู่ที่นี้ คิดปรุงแต่งก็ที่นี่นั่งจมเศร้าอยู่ก็ไอ้นี่ยนะใจท้อแท้ก็ไอ้นี่นะสู้ๆก็ไอ้ทีดีอีกเพราะฉะนั้นไอ้นี่น่ะมันตัวสับสนน่ะวันนี้เราเนี่ยมันสับสนไปหมดเพราะมันไม่รู้จักอะไรเลยมันอยู่กันที่เนี่ยโลกเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยมันไม่ได้อยู่กับคนอื่น มาเดินบินทบาทอยู่ติดกันเมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูเนี่ยคนหนึ่งใส่คนหนึ่งรับคนใส่จะอักข u ศนคนรับเป็นกุศลก็กุศลก็อยู่ที่เนี่ยอักข u ศนก็อยู่ที่คนที่อักข u ศนกุศลก็อยู่ที่คนกุศลเนี่ยแหละไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยสมมติวันหนึ่งท่านบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันอ่ะแต่ไม่ต้องไปอยากเป็นนะยกตัวอย่าง เ, ยเฉยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันมีคนนั่งดู ฉันว่าหน้าตาอย่างนี้ไม่ไม่ใช่พระโสดาบันหรอกอ้าวไอ้เราก็เคยได้ยินมาว่านะมีคนบอกว่าอย่างเนี้ยเป็นพระโสดาบันเราก็โกรธนะเรื่องหนึ่งที่ดีแค่ไหนมันมาว่าเรานะมีท่านหนึ่งนะยกตัวอย่างเอาไว้นะเหมือน การปฏิบัติธรรมเนี่ยเดินทางออกจากทุกข์เนี่ยถ้าวันนึงเราพ้นทุกข์ก็เหมือนกับว่าเรารับประทานอาหารกินข้าวแล้วมันอิ่มถ้าวันทุกวันเนี่ยที่เรากินข้าวแล้วเราอิ่มเนี่ยเราต้องถามคนข้างๆหรือมาถามผมไหมอาจารย์หนูอิ่มอย่างเนี่ย <c oughs> นะเดี๋ยวเที่ยงลงไปเนี่ยบายอย่าเดินมาถามผม จานเมื่อกี้หนูกินข้าวเนี่ยหนูอิ่มยัยทําไมอย่าอิ่มหรือไม่อิ่มไม่รู้่ะถ้าวันนึงเราปฏิบัติทำแล้วมันทุกข์มันลดลงลดลงจนหมดทุกข์เนี่ยเราต้องไปถามใครไหมเออว่าตกลงเราทุกข์ลดลงอย่างเนี่ยเอาแล้วทุกวันนี้มันทุกข์ไหมล่ะทุกข์อ้าก็แสดงว่าก็ปฏิบัติต่อไปดิ ก็ทำไมมันไม่เห็นทุกอะไรเลยอ่ะเอองี่ก็ค่อยชั่วขึ้นนิดนไอของที่มันเคยเป็นทุกข์ก็ไม่ทุกข์อย่างเงี้ยก็นนี้ก็เริ่มอิ่มแล้วไงเริ่มเอออาหารลงไปละเริ่มไม่หิวแล้วอย่างงี้ดีกว่าแล้วต้องไปถามใครอาจารย์หนูไม่หิวแล้วอ่ะก็ไม่หิวก็ไม่ต้กินเดี๋ยนี่จะกินอีกหน่อยดีเขาก็ทำอะไรก็ทําไปเถอะคือเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เรานี่แหละ สมมติพระอาหารหันต์ปฏิบัติจนท่านอิ่มนะั่นน่ะจำเหมือนรับประทานอาหารอิ่มเนะี่ยมีคนบอกว่าท่านไม่ใช่พระอาหารหันต์หรอกเพรามันเกี่ยวอะไรกับท่านไหมล่ะท่านจะใช่หรือไม่ใช่พอมีคนว่าท่านก็เลยหิวขึ้นมางั้นนะ่ะถ้าหิวก็ท่านก็ต้องปฏิบัติต่อไปล่ะแต่ถ้าห <c oughs> ิวอาหารก็ข่าไปแลนะก็คนที่เขาอิ่มเขาก็รู้อยู่แล้วเขาอิ่มคนที่เขาหิวเขาก็รู้เขาหิวแต่ทําไมคนหิวต้องคอยมาถามคนอื่นว่าถามตัวเองว่าหิวไหมหรือว่าอิ่มไหม เอาล้วนะเพราะฉะนั้นที่ผมจะยกตัวยอย่างเป็นเพียงแค่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่นี่มันไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับใครอย่าอันเชิญคนนั้นคนนี้เข้ามาไว้เลยนะใครเขาจะด่าใครจะว่าใครก็จะชมใครเสื้อเฮ้นี่มันตึงเกินไปนะท่านเข้ามาปฏิบัติเนี่ยกลับไปเนะี่ยมันตึงเกินไปมันต้องปฏิบัติทางสายกลางกลางเขาเบึ้งอยู่ที่ไหนต้องถามกลนะางมันอยู่ตรงไหนวะ ถ้าเรากำลังทานข้าวกับเพื่อนในร้านอาหารธรรมดาอยู่ๆก็มีขอทานเดินเข้ามาที่โต๊ะแล้วก็มาอคาะเคาะขันแล้วก็เรียกร้องความสนใจขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยนะทําไปทําไปทไปําไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มหงุดหงิดละเฮ้ย hey, มีห้าบาทไหมก็จะบอกมีห้าบาทวะมีเพื่อนประิบให้เอาไปแล้วก็ใส่ไปทันไปไปไปาละ เรามีความรู้สึกว่าถ้าเรามองกันเผลอๆกําลังทําทานให้กับขอทานแต่ถ้าเราใช้กล้องแบบทะลุทะลวงเข้าไปเห็นจิตใจขณะที่ขอทานกําลังมายืนอยู่ข้างๆตอนนั้นเราบุดหิดละเรากําลังรําคาญเรากําลังไม่พอใจอกุศลเกิดแล้วนะอกุศลเกิดแล้วเราขอยืมตังค์เพื่อนตอนนั้นน่ะทําไปเพื่อมันจะทําให้มันส่งเดชไปอย่างนั้นจะได้ให้ไล่ยังไปไ ป, ไ, ปได้เงินมา เอาละถ้าเรามาสโลโมชันดูเราไม่เห็นกุศลเลยเริ่มต้นจนกระทั่งจบไม่มีกุศลเกิดขึ้นเลยเต็มไม่ได้โทสะลำคาญแล้วก็ใส่ไปแบบการใส่เงินไม่ใช่การให้ทานแต่การใส่เพื่อจะไล่ให้มันไปพ้นผลการทำบุญทำทานของแต่ละคนส่งผลเป็นบุญกุศลจริงๆเหรอ วันที่ท่านออกไปทําบุญใส่บาตวันที่ท่านออกไปทอดกระถินตั้งแต่วินาทีที่ท่านเดินออกจากบ้านรถติดหมุดหงิดลาคาญขึ้นรถบัสคนก็เบียดร้อนแอร์ไม่เย็นจนไปถึงวัดเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีทําไมคนเยอะอย่างนี้ในโบสทําไมพระสวชดช้าจังพวกนี้ล้วนจะไปใจอกุศลทั้งนั้นจนกระทั่งกลับบ้านโอ้เหนื่อยจังเลยเหบื่อจังเลยทําไมเหบื่อยเงี้ยอะไรกลับมาถึงบ้านนอนเช้าตื่นมาคุยกับเพื่อน เมื่อวานไปท่ากับถิ่นมาอาวุณมาฝากด้วยนะ <c oughs> บุญที่ไหนนะเท่าที่เห็นทั้งวันจนกระทั่งกลับมาบ้านเนี่ยมีแต่อกุศลอย่างเดียวแล้วก็กดไลคนะ์แล้วก็พิมพ์สาธุเพราะอยากได้บุญของเขาบ้างสิบเอร์เซนจากตัวอย่างที่เรา ยกกันไปสามสี่ตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเรามาฟังตอนนี้ดูเหมือนเราจะเข้าใจทุกอย่างแต่ทาไมตอนมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราถึงไม่รู้สึกตัวเลยแล้วทาไมเราถึงไม่รู้ว่าอา้านี่อกุศลเหรอนี่กุศลเหรอทำไมเราแยกแยะไม่ออกในขณะที่มันกำลังเกิดแต่พอเราฟังเนี่ยเราเข้าใจกัน ทำไมเราฟังรู้เรื่องหมดเข้าใจหมดรู้หมดอะไรกุศลอะไรอไรกุศลแต่ทำไมตอนที่มันเกิดในขณะนั้นนั้นนั้นนั้นเราถึงไม่รู้ตัวเลยเพราะเราชินไปกับมันเราชินไปกับมันเราตอบสนองทุกอย่างเป็นอัตโนมัติหมดคนที่เกิดมาเป็นคนเรียบร้อยน่ารักนิสัยดี ไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยจู้จีก้ก็จะตอบสนองแบบนั้นมีใครว่ามาชมมาอะไรมาก็ยิ้มยิ้มเป็นคนไม่ค่อยอะไรอะไรกับอะไรถามว่าดีไหมก็ดีแล้ละอกุศลมันเกิดน้อยก็มาปรับอีกหน่อยไม่ให้มันหลงกลายเป็นสัญชาตญาณให้มันพ้นขึ้นมาบางคนก็กระฟัดกระเฟียดกระทบปังสวนโครมนะเพราะงั้นก็อยู่ที่การสั่งสมและฝึกมา ตกลงคนที่สวนโครมกับคนที่นั่งนิ่มๆติมๆเะไรยใครดีกว่าใครยังตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้ไ ม, ไดมีคนถามพระสาริบุตรเนี่ยคำถามเนี่ยเพราะเราก็เห็นอย่างพวกเรามาปฏิบัติเนยส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีทั้งนั้นอ่ะคนด่าคนว่าอะไรก็ไม่ได้ดถึงกับโกรธครึ่นอะไรมากมายช่างว อีกคนก็วีนแลกใส่เลยเข้ามาปฏิบัติธรรมด้วยกันสมมุติสองคนเพื่อนกันเป็นกรารยานมิตรกันชวนกันมานั่งปฏิบัติคนนึงแบบโอ้โหประเภทนะมึงมาพาววยกันเลยป้งมาก็ปังไปเลยอีกคนก็เออทังเธอะเป็นไรหรอนะติมต๋ ม, ม, ม, มติ๋มยิ้มยิ้มไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยเป็นอะไรกับใครสองคนที่มาปฏิบัติ ในสมัยนั้นก็มีคนถามพระสารีบุตรว่าอย่างนี้ใครดีกว่าใครท่านบอกยังตอบไม่ได้แร้วตอบได้แค่ว่าทั้งสองคนเนี่ยมีใครมีสติออกจากความเคยชินเนี่ยได้มีใครมีสติออกจากความเคยชินนี้ไ ด, ออนนได้แล้วก็เข้าสู่ทางสายกลาง ไม่ได้แปลว่านั่งติ่มติมหิ้มหิ ม, มจะนั่นคือจะบรรลุธรรมกว่าก็มไม่มีมันก็หลงอยู่อย่างนั้นคนในโลกก็เยอะแยะมากมายถึงเวลาทุกข์กนั่งร้องไห้น่ะไม่เคยดา่าไม่เคยว่าใครฉันก็เป็นคนดีของฉันพอถึงเวลาความทุกข์กันนั่งร้องไห้อยู่นั่นก็ไม่เห็นจะออกได้เลยเพราะฉะนั้นใครอะไจะพ้นไปได้นั่นให้คนมึงมาพวาวยปูงตามเนี่ย หมดจะไปมันไปเลยพอมันเข้าใจความจริงวางพูดมันไปเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับติมไม่ติมผมจะบอกเลยว่าต้นเหตุของมันจริงๆหรือว่าสาเหตุที่ปิดบังความจริงทั้งหมดในแต่ละขณะเนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าเราชินไปกับมัน <c oughs> เราไม่เคยรู้สึกได้ซ้ําว่ามันไม่ดีตรงไหนเลยเรื่องนี้ผมพูดมานานนานเต็มทีแล้วนะ <c oughs> เอาล่ะนะจะได้เข้าใจกัน แล้วก็ออกจากความเคยชินเนี้ยให้มันได้เปลี่ยนเข้าสู่วิถีใหม่มันไม่ได้ยากเย็นอะไรเราเราก็รู้เราชินกับอะไรผู้หญิงเดินไปเห็นกระเป๋าความเคยชินมันก็อยากได้เนะมันก็ชินมันอย่างนั้นนะไม่เห็นกระเป๋าจริงๆเห็นในภาพเห็นในมือถือเห็นในโปสเตอร์เห็นในะมันก็อยากได้เพราะอัตโนมัติน่ะ มันเป็นอัตโนมัติเนอะกีเลตมันก็มีที่ยืนที่เหยียบมันอยู่ตลอดเวลาคนมันเคยชินกับการด่ามันมีเสียงมากระทบแบบนี้ใจแบบนี้มันก็ตอบสนองโครมออกไปเลยแบบนี้นะมันก็ชินกับการโกรธแบบเนี้ยทีนี้ถ้าไม่มาจัดระเบียบจิตให้มันเข้าใจก่อนให้มันอยู่เป็นระเบียบก่อนมันแยกไม่ออกหรอกเราก็ว่าเราเราเราทั้งนั้นะเขาด่าเรา ทีนี้มันจะรู้ไหมแต่ถ้ามันไม่มีสมาธินะแล้วสมาธิช่วยตรงไหนเด้อท่านนั่งสมาธิยังไง ร, รู้ลมหายใจก็ใช่ก็รู้ลมหายใจการรู้ลมหายใจมันมีลมหายใจกับมีการรู้ลมหายใจถูกไหมละ่ะอย่างไม่รู้เรื่องอะไรเลยมานั่งรู้ลมหายใจเด็กอนุบาลมานั่งรู้ลมหายใจมัธยมปฐม จนถึงพวกเราเนี่ยมานั่งรู้ลมหายใจสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นทันทีคือการเข้าไปสังเกตลมหายใจเมื่อมีการเข้าไปสังเกตลมหายใจเนี่ยเขาไม่รู้ก็ตามเขารู้ก็ตามมันจะเกิดผู้รู้กับผู้ถูกรู้ขึ้นมาทันทีในขณะนั้นขณะที่จมีความตั้งใจที่จะอยู่กับลมหายใจปกติเรานั่งคิดไปเรื่อยๆเนี่ยมันเคยมีสมาธิบ้างไหมละ่ะวันวัน มันก็นั่งคิดเขาพันฟุ้งซ่านไปทื่ออยากได้นั่นว่าคนนี้ชมคนนู้นอยากไปนัน่นอยากกินนี่มันก็นั่งฟุ้งซ่านไปทั้งวันพอมันปึง้งกลับมาถูกผูกไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเดก๋ยไปอีกเพราะมันคุ้นกับการไปมันก็ดึงเข้ามาใหม่มันก็คุ้นกับมันก็อยู่ใหม่พอทำก็ไปเร้่อยเรื่อยเรื่รืมันก็เริ่มอยู่นานขึ้นพเพราะของมันไม่ได้มีอะไรของมันไม่ได้มีตัวตนอะไรฝึกยังไงก็เป็นอย่างนั้นก็มาอย่างเนี้ย ก็เริ่มมาอยู่ตรงนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอะสมมติแค่ห้าสบิบห้าสิบอยู่ตรงนี้ห้าสิบได้แล้วออกไปข้างนอกห้าสิบคือไม่ใช่ออกข้างนอกไหนหรอกก็คือคิดฟุ้งซ่านไปได้ห้าสิบแต่ก็กลับมาอยู่ตรงนี้ได้ห้าสิบเริ่มคุ้นเริ่มคุ้นเมื่อก่อนไม่คุ้นเริ่มคุ้นพอเริ่มคุ้นก็เริ่มเห็นอะไรชัดขึ้นเริ่มเห็นอะไรอะไรชัดขึ้นน้ําในบ่อเนี่ย ไปดูเถอะคุณๆเนี่ยเห็นปลาสักตัวไหมล่ะไม่เห็นเลยแต่รู้ว่ามีปลาแต่ถ้ามีคนไปแกว่งสารส้มจนน้ามันใสมันจะเห็นปลาทุกตัวเห็นนอนเห็นลูกน้ําสมาธิเนี่ยกําลังทําหน้าที่นั้นกําลังทําหน้าที่นั้นมันจะเริ่มตกตะกอนลงตกตะกอนลงจะใสขึ้นจะอ๋ออ๋อนี่อื๋ออ๋ อ, อ, อ, อขึ้นไปเรื่อยๆ นี่แหละสมาธิจะเริ่มค่อยๆให้เห็นชัดขึน้นถ้าไม่มีสมาธิมันฟังอ๋อเข้าใจแล้วจะกลับไปเหมือนเดิมรับรองด้วยความเป็นตัวตนของเราทุกคนเนี่ยมันจึงปิดบังสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันจึงมีความรู้สึกว่าเรามีความชอบทำที่จะทำอย่างนั้นทั้งๆ ท, ที่มันเป็นอกุศลแต่เรากลับไม่รู้ตัวต่อให้มีใครมาบอกก็ ก็สมควรแล้วดีที่ฉันควรจะทำแบบนั้นเนี่ ย, ยทำไมเราจึงรู้สึกแบบนี้ <S <S เขาบอกว่าถ้าเราเอาเขียดตัวหนึ่งใส่ลงไปในน้ำธรรมดาแล้วน้ำธรรมดานั้นไปตั้งไฟที่ค่อยๆฮีตทีละน้อ ย, อยให้อุณหภูมิถือว่าน้ำตอนนั้นอุณหภูมิยี่บห้าอุณหภูมิห้องค่อยๆเป็นยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดไปช้าๆแล้วก็ฮีตมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอุณหภูมิห้าสิบ เราจะเห็นว่าเขียดจะว่ายน้ําเล่นอยู่อย่างปกติจนถึงอุณหภูมิ50แล้วเขียดก็ยังว่ายน้ําอยู่ได้เลย50ซึ่งร้อนมากทดลองใหม่เอาเขียดออกมาแล้วก็ตั้งไฟน้ําให้ถึงอุณหภูมิ50แล้วเอาเขียดใส่ลงไปเลยในน้าอุณหภูมิ50เขียดตายทันทีเขาบอกเขียดตายทันทีที่ตกลงไปในน้ําอุณหภูมิ50จะเห็นว่าเขียดที่ค่อยๆไต่อุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆกลับไม่รู้สึกอะไรแต่เขียดที่อยู่ๆไปใส่เลยเนี่ยตายทันที มันเกิดเป็นอุปมาอุปไมยให้เรากลับมาที่ชีวิตของเราได้วันนี้เราอยู่กับทุกข์เราอยู่กับอกุศลมาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยในชีวิตเนี่ยจนกระทั่งถึงวันนี้อกุศลมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงอุณหภูมิ50แล้วเราไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้ามีใครสักคนที่เขาอยู่ที่อุณหภูมิ2ีตลอดอย่างเช่นมีศีลมีธรรมใจเป็นกุศลใจสงบเย็นอยู่ๆไป กระทบกับความรู้สึกที่มันร้อนวูบวาบขึ้นมาอย่างนั้นหรือโทสะที่มันร้อนวูบวาบอย่างนั้นเนี่ยเขาจะกระตุกทันทีเหมือนเขียดที่รู้สึกทันทีที่จาก25กลายเป็น50แต่ถ้าค่อยๆยฮีตขึ้นไปเรื่อยๆเขียดจะไม่รู้สึกเราเองก็ไม่รู้สึกนี่คือสาเหตุทําไมการปฏิบัติธรรมพระเจ้าให้เรากลับมาอยู่กุศลเอาไว้อยู่กับสมาธิเอาไว้ให้ชินอยู่ความสงบเย็นเอาไว้เพราะว่าเมื่อไหร่เรากลับมาแรกๆกเราจะอึดอัดแน่นอน จาก50ที่เราเคยอยู่เป็นความชินแล้วโปรดก็ไม่รู้สึกตัวแล้วอะไรอะไรก็ไม่รู้สึกตัวแล้วว่าเราทําผิดจนกระทั่งมาอยู่อุณหภูมิน้ำธรรมดาเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันอึดอัดในช่วงแรกแต่ถ้าเราอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆเราจะเริ่มรู้สึกมีความสุขแล้วก็สบายเหมือนกับบางคนที่เข้าสู่คอร์สปฏิบัติธรรมมาแรกๆโออึดอัดจังเลยไอ้นั่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีฉันอยากกินไอ้นั่นฉันอยากทําไอ้นี่ฉันอยากดูไอ้นั่นเด็กเคยเล่นเกมก็อยากเล่นเกม ทุกคนก็จะรู้สึกอึดอั ด, อดในวันแรกๆ แ, แต่พออยู่ไปอยู่ไปหรือมาหลายครั้งเข้าหลายครั้งเข้ามันก็เกิดเกิดความรู้สึกเคยชินเหมือนกันแต่มันเป็นความความเคยชินในความสงบเยน็นเราลผมว่าพวกเราเคยฟังการบรรยายอันนี้กันมาบ่อยนะในเจดกูรูเนี่ยแต่ผมก็เชื่อว่าในการแทรกการขยายความในเช้าวันนี้ ทำให้ท่านเห็นมุมมองของการบรรยายเนี่ยได้ลึกซึ้งเข้าใจนำมาสู่การปฏิบัติอย่างมีสัมมาทิฏฐิได้ชัดเจนขึ้นทำไปทำมาดูเหมือนจะไม่ยากเลยฮะเพราะว่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโลภโกรธหลงก็ดีเพราะความเคยชินของเรานี่เอง ถ้าเราแก้ตรงนี้ไม่ได้ใครจะมาแก้ให้ถ้าผมมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดช ท, ที่จะชี้แล้วก็สั่งให้คนนั้นพ้นทุกในเวลานั้นได้ความเคยชินของท่านก็จะเป็นเชื้อเอามันขึ้นมาใหม่สมมติผมจัดการได้หนึ่งทีตอนนีถ้ถ้าสมมติว่าท่านกำลังทุกข์ ผมพูดจนกระทั่งท่านหายทุกข์ได้พอท่านกลับไปสักพักความเคยชินเดิมจะเอาเรื่องนั้นกลับขึ้นมาใหม่ถ้าผมช่วยได้อีกเดี๋ยวความเคยชินเดิมของท่านจะเอาเรื่องนั้นกลับขึ้นมาใหม่ผมถามว่าคนที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะผมหรือเพราะตัวเขาเองที่จะพ้นจากความเคยชินนั้นเองให้ได้ นั่นแหละคือหัวใจไม่มีใครพาใครให้พ้นทุกข์ได้พระเจ้าก็ตัดเอาไว้ไม่มีทุกเป็นอนัตตาทุกไม่ได้มีตัวตนอะไรเลยมันมาจากความไม่รู้ของคนแต่ละคนที่ไปก่อมันขึ้นมาเองใครจะไปเอาของที่ไม่มีตัวตนออกจากความไม่มีตัวตนของใครได้ไม่มีเพราะฉะนั้นมันมาจากความโง่ความไม่รู้ที่ไปก่อเรื่องนั้นเพราะความเคยชินเท่านั้นเอง แล้วจะพ้นจากความเคยชินนั้นยังไงแรกแรกมันก็ต้องเบียดก็ต้องอดทนก็ต้องออกก็ต้องฝืนจนกระทั่งมันเข้าสู่ความเป็นอัตโนมัติใหม่อนะความเป็นอัตโนมัติใหม่ที่จะพ้นไปจากเรื่องนั้นใครจะไปเอาใครออกได้เหมือนคนติดยานะอยากสูบยาอยากเสพยามาเข้าศูนย์บำบัดมาได้ครึ่งทางเพื่อนฝูงก็พยายามช่วยกันทำกันทุกอย่างประคับประคอง ดีขึ้นพอกลับไปสักพักก็เริ่มอยากเสพยาใหมนะ่ก็มีคนช่วยกันนะประคับประคองสวยนะก็กลับไปเริ่มกำรรกึ่งจะเสพดีหรือจะเลิกดีแล้วมันอยู่ที่ใครอ่ะจะเสพหรือจะเลิกมันก็อยู่ที่คนนั้นจะถ้ากลับไปเสพโง่กลับไปก็ไปติดเหมือนเดิมแต่ถ้าอดทนฝืนต่อไปเรื่อย ทุกที่เกิดขึ้นเป็นการทุกเพื่อจะค้นไปจากสิ่งที่เคยคุ้นท่านท่นเองเมื่อค้นไปจากความเคยคุ้นจะเข้าสู่วิถีใหม่ที่เรียกว่าทางสายกลางนั่นแหละเอาละสำหรับช่ว ง, ชวงเช้านะก็คงจะบรรยายเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็ค่อยมาทําความเข้าใจแล้วก็มาสลับการปฏิบัติเข้าไปบ้างในคอร์สนี้ผมจะ จะนันั่งสมาธนะิตอนนี้ผมเริ่มเห็นละคือเมื่อก่อนในคอร์สเบื้องต้นผมก็ให้ท่านรู้ลมหายใจไปรู้ไปก่อนนะแล้วไปเข้าคอร์สเข้มก็ค่อยมาค่อยๆชี้ไปแล้วผมก็ถือว่าอัธยาศัยของผู้ที่จะเข้าใจได้นี่มันก็เข้าใจได้เองแต่ดูไปดูมามันทท่าจะติดล่องตกป่องกันหมดเลยคือ นั่งสมาธิไม่เชื่อมโยงสู่การตื่นเลยเพฉะในคอร์สนี้คงต้องนำนั่งสมาธิแล้วเมื่อก่อนก็นำแต่เดี๋ยวไม่ได้นำาล้ยี่ต้องกลับมานำใหม่แล้วเพราะว่านั่งสมาธิกันไม่เป็นนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งรู้ลมดุยดยแอ สวดทาตุปจุเวก ถ้มามันนำบ่ายมงตรงแล้วกันบ่ายมงตรงใครจะเข้ากี่โมงก็ได้แต่ผมนะ่ะมาบ่ายมงตรงท่านจะมาบ่ายโมงครึ่งก็ได้บ่ายสองก็ได้ถ้านอนหลับก็ง่วงก็ไปนอนแต่ผมมาบ่ายโมงใครอยากจะมาก็มาเมื่อวานเนี่ยผมไปดูกระเบื้องที่จะปูสำนักที่ บุญถาวรร้านนี้ก็ชื่อดีนะที่บุญถาวรที่แรกผมเห็นลูกค้าคนหนึ่งทะเลาะ ก, กับเซลที่ขายคือเซลคงบอกว่าถ้าซื้ออันนี้แถมอันนี้ลดอันนี้อะไรเงี้ยนะผมก็ไม่รู้เราเรื่องมันมาไงแต่ผมมาได้ยินเอทะเลาะ ก, กันคนที่มาซื้อก็คล้ายๆเป็นผู้รับเหมาเป็นผู้รับเหมามาสั่ง ทะเลาะกันไปสักพักเซลลก็บอกว่ า, าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่จะเอาอะไรก็บอกมาเลยเดี๋ยวหนูลดให้ตามที่ที่ต้องการก็ดูเหมือนฟังดูก็น่าจะจบเรื่องน่าจะเป็นที่น่าพอใจของผู้รักเหมาคนนั้นผู้รับเหมาคนนั้นพ อ, อโอเคเกิดชะงักขึ้นมานิดแล้วก็ถามว่าแล้วส่วนต่างเนี่ยใครจ่าย ออเดี๋ยวหนูจเองครับพี่ถือว่าเป็นความผิดของหนูก็รักกันผู้หญิงตนะ่อให้ผู้รักเหมาคนนั้นหยุดเลยนะเท่าไหร่ก็ประมาณสามร้อยบาทแล้วน้องต้องมาจ่ายสามร้อยบาทเหรอใช่ก็พี่ก็ไม่ต้องห่วงอะไรก็รับไปตามนี้แหละไม่เอา เรื่องอะไรอ้าวผมเห็นก็เริ่มจะทะเลาะกันครั้งใหม่แล้วอยู่ๆทาไมคุณต้องมาจ่ายสามร้อยบาทให้ผมด้วยเอ้าผมก็ยืนฟังไปเรื่อยๆนะผมก็เลือกกับเรื่องอะไรกันวัเ น, นี้ตกลงเอางี้น้องก็ทํางานกินกันเดือนพี่เนี่ยไปรับเหมาก่อสร้างมาเนี่ยกําไรมากกว่าเท่านี้เยอะเดี๋ยวพี่จ่ายเองก็เดี๋ยวสักพักเขาก็ยังไงกันก็ไม่รู้แล้วก็จุคงก็จบกันไป ก็ผู้รับหมานั่นก็ยอมใจสังเกตไหมว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นขณะที่คนคนหนึ่งมีตัวตนอีกคนหนึ่งก็จะพยายามปกป้องตัวเองทั้งสองคนจะพยายามปกป้องตัวเองกันทั้งคู่แต่ทันทีที่คนนึงเลิกไม่เป็นไรเดนรู้ใจเองปั๊บไอ้คนมีตัวตนเนี่ยจะสะดุดขาตัวเองเลย เอ๊ยคุณทำงี้ได้ไงเอา้าคือทนไม่ไหวนะกับการที่มีคนมาแสดงความเอื้อเฟื้อให้ถ้าในทีมงานผมเนี่ยผมก็จะเล่ายกอุปมาเรื่องว่ามันเหมือนเด็กนั่งเล่นฝาเบียเล่นอะไรกันว่าก็มีฝาเบียจ่ายนั่นจ่ายนี่มีเพูตได้ถถ้ากำลังเล่นกันอยู่แล้วมีเด็กคนหนึ่งบอกว่า ไปแล้วนะเลือกเล่นล้วเอาไปให้หมดเลยแล้วก็เดินไปนะไอคนที่กําลังนั่งอยู่นะไยไม่เอามันจะไม่เห็นค่าของฟาเบียอีกเลยเข้าใจไหมฟาเบียจะหมดค่าทันทีเลยในขณะที่เมื่อกี้มันมีค่ากันเหมือนกับขี้ไก่ที่กําลังแย่งกันน่ะคนมันจะแย่งขี้ไก่แย่งเศษกระดาษที่มีเขียนว่าหนึ่งรอยบาทห้าร้อยอะไรเนี่ยมันจะแย่งกันแต่พอคนนู้บอกไม่เอาไม่เล่นแล้วจะไปแล้วเอองันมันจะเอาไว้ทําอะไรก็เอาไปเนี่ แม้แล้วเดี๋ยวแม่เรียกแม่ติดไปแล้วแต้มน้ําดีกว่าทุกคนจะทิ้งหมดนะวันนี้รู้ไหมว่าคนทะเลาะกันได้เพราะอะไรก็เพราะทุกคนมันมีตัวตนจะปกป้องของกูของตัวกูเอาไว้นี่แหละพอมีคนเลิกคนหนึ่งมีคนบ้าไปเลยนะมีคนทำอะไรไม่ได้มีคนคนหนึ่งจอดรถปิดท้ายคนอื่นไว้ในห้างสรรพสินค้าแล้วคนอื่นออกไม่ได้นะเพราะว่ากะจะลงไปเอาของแป๊บเดียวแล้วก็รีบกลับมานะ แต่มันเกิดนานขึ้นมาเป็นครึ่งชั่วโมงกลับมาถึงตายแล้วไอ้คนนั้นกําลังรอออกโอ้โหวดด่ากันไฟแลบเลยแต่คนที่จอดปิดเขาเนี่ยยืนฟังด้วยอาการสํารวมพอคนนั้นด่าจบหรือด่าเหนื่อยแล้วเนี่ยคนที่จอดปิดเขาเนี่ยบอกยกมือไหว้แล้วขอโทษผมขอโทษจริงๆ ผมไม่ควรทําอย่างนี้เลยผมนึกว่าคุณจะลงไปแป๊บเดียวจริงๆแต่เรื่องมันไปยากว่านั้นจะอันนั้นเป็นเรื่องที่ผมไม่ไม่ได้ออกมาปเป็นเหตุผลที่จะอะไรเลยผมได้แต่ขอโทษถ้ามีอะไรที่ผมพอจะทําได้ให้คุณใจเย็นลงเนี่ยผมจะยินดีทําทุกอย่างผมขอโทษจริงๆเชื่อไม่ผู้หญิงที่กันบังดา่นั่นนะหยุดเลย <Yes. S 1> อโอเค บางทีฉันก็แรงเกินไปเหมือนกันนะแต่คุณก็ไม่น่ามาจอดครับผมขอโทษจบเลยจบเลยวันนี้ที่มีเรื่องกันได้เพราะมีแต่กู